บทที่163หลายอึดใจอยู่เหมือนกันกว่าทุกคนจะตั้งสติได้และรู้สึกสำนึกได้เด่นชัดว่าอะไรเป็นอะไรท่ามกลางการตื่นขึ้นมาพบกับเหตุการณ์สับสนโอลมานโดยไม่คาดฝันมาก่อนสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความโกลาหลนซึ่งบัดนี้สิ้นฤทธิ์นอนขว้างอยู่ปากเพิงคือหมีใหญ่ มีขนอันหนาปุยเป็นสีเทาปนเงินซึ่งทุกคนไม่เคยเห็นหรือทราบมาก่อนว่ามันเป็นพันใดร่างกายอันใหญ่โตของมันที่กองอยู่แลยดูเหมือนภูเขาเฟอ่อย่อมย่อมนั่นคือสิ่งแรกที่สังเกตชัดกันได้ภายหลังจากปรับความรู้สึกให้เป็นปกติลงสิ่งต่อมาซึ่งสัมผัสเข้ามาในประสาทส่วนรับรู้ทาให้ทุกคนตะลึงพึงเพิดไปหมด ประหลาดใจและโกรกตกใจทียยิ่งกว่าการโจมตีของหมีใหญ่ตัวนั้นสักร้อยเท่าทั้งหลายพากันพบว่าบริเวณที่พักนอนอยู่นั้นชัไห น, นมันจึงเป็นสถา น, นที่เกล็ดน้ําแข็งร่วนๆสวกๆโปรยปลิวลงมากองพอกทับถมดูขาวโพลนไปหมดไม่กอดมารีร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัวเฉดถาชา ย, ยันและดารินตัวแข็งถือ ฉายไฟดูไปยังบริเวณก้อนหินรอบๆมืนจะไม่เชื่อสายตาแล้วก็บังเกิดอาการหนาวสถานเลือดแทบจับเป็นก้อนแข็งไปในบัดนั้นส่วนพวกพรานพื้นเมืองทั้งนั้นก็น่าซีดเลือกหลักไปหมดยิ่งกว่าถูกผีหลอกคนเหล่านี้เกิดมายังไม่เคยเห็นหิมะมา ก, ก่อนและไม่เข้าใจด้วยว่ามันคืออะไรฝดนฝนตกกัมาเป็นน้ำแข็งใสเต็มไปหมด จัละล่ำละลักเหมือนจะบอกกระพักพวกกันเองก็ถึงว่าสิไอจันท์นี่ถ้ามีน้ําหวานสักขวดเอามาโรยก็คงทําเป็นน้ําแข็งกดดูดได้อร่อยไปแต่ทวดาส่งน้ําแข็งกดไม่เรามากโงนไปจนตัวจะแข็งกระดิกไม่ได้อยู่แล้วนะบุญคําครางขณะนั้นเองระหว่างที่ยังงงงันกันอยู่ต่าง ก, ก็เห็นพรานใหญ่แลยเงาทรายไต่ขึ้นมาบนซาก ข, ของหมีใหญ่ ที่มีขนปุยหนาจากฝั่งตรงข้ามแล้วกระโดดเข้ามาสมทบภายในสีหน้าของทั้งสองเต็มไปได้วยความร้อนใจแต่เมื่อเห็นคณะพักทั้งหมดเป็นปกติเรียบร้อยดีก็โล่งอกคุณกันงสายเรียบร้อยดีเหรอท่านหัวหน้าคณะกลับเป็นฝ่ายถามเข้ามาครับเรียบร้อยดีครับแล้วต่างฝ่ายต่างจะนิ่งอึงมองหน้ากันเองอยู่ไปมาพักใหญ่ชนิดที่พูดอะไรกันไม่ถูกต่อหน้าซากหมีใหญ่ ที่ถูกพิชิตลงขาไขายพักชนิดที่เกือบจะล้มทับลงไปบนศีรษะของทุกคนและต่อหน้าปุฮีมะที่พรมพรมไม่ขาดสายอยู่ในขณะ น, นี้มันกระทันหันเกินไปสำหรับอีกสิบชีวิตที่กำลังหลับเพลินๆแล้วจู่ๆก็พรวดพราดขึ้นมาเห็นกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ล่วงหน้านี้นี่ระพินรุมงงกันไปหมดแค่นั้นเนี่ยในที่สุด ท่านหัวหน้าคณะก็เป็นผู้ทำลายดุษณีภาพขึ้นมองหน้าเขาแล้วกราดไฟฉายไปยังโขดหินรอบๆท่านหลายที่เห็นอยู่นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเนี่ยหมีใหญ่ขนสีประหลาดตัวนี้แล้วก็ขิมะขิมะเริ่มจะลงเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนครับคุณชายท่านใหญ่ตอบด้วยเสียงเบาปกติของเขาส่วนหมีใหญ่ตัวนี้บุกิมะลงเข้ามาอย่างที่พักของเรา ระหว่างที่ทุกคนหลับบังเอิญมีผมกระแง่ทรายตื่นนั่งคุยกันอยู่พอดีมันย่องเข้ามาจนเกือบจะถึงตัวเพราะเสียงหิมะที่ตกกระทบพื้นกลบเสียงการเคลื่อนไหวของมันหมดรู้สึกว่ามันจะเป็นหมีชนิดกินเนื้อเป็นอาหารเล็ตรงมาที่พวกเราอย่างต้องการเหยื่อก็เลยกุลาหุนกันหน่อยแต่พวกเราก็ไม่มีใครได้รับอันตรายไม่ใช่เหรอครับไอหมีตัวนี้นะ่ะมันไม่สาคัญหรอไพวัน มาเรียพูดเสียงหืดๆก้มลงเก็บเกร็ดหิมะส่วนหนึ่งที่ปลิวพ้นเพิงหินเข้ามาตกอยู่กับพื้นบริเวณที่พักขึ้นมาพิจารณาดูด้วยมืออันสั่นเทาเหมือนจะไม่เชื่อสายตาแต่เมื่อสัมผัสกับความเย็นเฉียบยืนยันให้ทราบชัดว่ามันคืออะไรก็โยนลงกับพื้นตามเดิมที่พวกเราอยากจะถามคุณนะว่าเราทั้งหมดขนาดนี้นี่อยู่ที่ไหนเทือกเขาแอลในฤดูวินเทอร์หรือที่ไหนกันแน่ ระหว่างที่เรานอนหลับกันหมดทุกคนมีเทพเจ้าที่เล่นองไหนมาแอบย้ายที่พักของเราไปตั้งผิดตำแหน่งไว้ยังโลกซีกส่วนไหนกระมังลืมตาขึ้นมาถึงได้พบกับสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเห็นอย่างเงี้ยไม่มีเทพเจ้าองไหนมาย้ายตำแหน่งที่พักของเราหรอกเมเราก็หลับตรงเราหลับตรงไหนเมื่อคืนก็ตื่นขึ้นมาอยู่ตรงนี้แหละนี่ก็เป็นระยะเริ่มต้นของฤดูเวนเทอร์เหมือนกัน ต่บันดินเตอร์บนเชือกเขาแพรทิวะบางทีมันอาจไร้าการว่าวินเตอร์บนเชือกเขาแอนซะอีกนะเพราะไม่มีส ก, กีให้คุณเล่นได้ที่นี่ที่นี่มีแต่ความหนาวความหิวและก็สัตว์ร้ายอย่างหมีสีเทาที่กินเนื้อเป็นอาหารตัวนี้แล้วเขาก็หันมาทางสุภาพบุรุษในราชสกุลหัวหน้าคณะผมรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนพวกของคุณชายและพบกับความแปลกใจมาก่อนแล้ว เมื่อห็นหิมะตกคลุมที่พักและยอดเขาแถบนี้ทั้งหมดเงาซายกลับตื่นขึ้นมาเห็นก่อนผมจะอีกเรากำลังปรึกษาหารือกันอยู่ว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงเพื่อการอยู่รอดก็พอดีเจ้าหมีใหญ่ตัวนี้แทรกเข้ามามันกำลังต้องการอาหารเหมือนเราเหมือนกันแล้วทำไมคุณไม่ปลูกพวกเราขึ้นมาส ก, ก่อนม่ห็นหิมะตกเล่าดารินถามกายสันเทิม ผมเห็นทุกคนกําลังหลับสบายนะครับและถึงแม้จะปลุกขึ้นมาก็คงไม่มีใครห้ามแม่หิมะหยุดตกได้หรอกชายันสุดกายหัวลงไปนั่งกอดเขา่าคางสั่นกระทบกันกึกๆึกตอนยังนอนหลับอยู่นะก็ไม่รู้สึกอะไรหลับได้อย่างสบายแต่พอตื่นขึ้นมาเห็นละอองหิมะแวดล้อมรอบกายเขาก็หนาวเย็นจับคู่หัวใจขึ้นมาทันทีแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ไวายจะหัวเราะ วะระให้กับเหตุการณ์ที่เผชิญหน้าตำตาอยู่ในขณะนี้เออให้มันได้ยังงี้สิสวรรค์เอ้ยน้ำป่าไฟป่าพายุฝนลูกเห็บแผนดินไหวเออกำลังนึกอยู่ทีเดียวว่าเรายังขาดทีมะและกำลังจะร้องขอเทวดาอยู่เหมือนกันไม่ต้องขอแฮะประธานไม่ครบองค์อยู่เดี๋ยนี้แล้วขอบใจมากนะเทวดา ยังมี่สิถึงจะเรียกว่ารักกันจริงพัพพาดิยังครับยังยังไม่ครบองค์นักหรอกครับคุณชัยยานันเพราะเรายังไม่พบกับภูเขาไฟกําลังระเบิดและผมก็ภาวนาว่าอย่าให้พบเลยไงไงหิมะมันก็ดีกว่าเท่าเราว่าแน่แนคุณชัยยันเองก็ดูเหมือนจะเคยบอกไว้ว่าชอบตายเย็นมากกว่าตายร้อนไม่ใช่หรอครับพแานใหญ่พูดยิ้มยิ้มทำโมกุลขี้เล่น และเห็นอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องขบขันไปหมดถึงกับอึ้งเพราะเจอเอาคนจริงเหนือกว่าต่อสถานการณ์รายทุกชนิดเชษฐานก็ตกอยู่ในสภาพทิพิดหนักกังวลใจไม่ใช่น้อยเขาขมวดคิว้วมองดูเกล็ดน้ำแข็งที่โปรยปลายลงมาพอกพูนพื้นที่โดยไม่ขาดระยะเหล่านั้นอย่างงุนงงแล้วมองหน้ารพินกับแง่ทรายสลับกันอยู่เหมือนจะถามว่า แล้วจะทำยังไงดีระหว่างที่ฝ่ายนายจ้างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกต่างก็เห็นจอมพรานหันไปออกคำสั่งกับคนของเขาซึ่งยืนตะลึงกันอยู่จะเป็นคำสั่งยังไงก็ฟังไม่ถนัดนักแต่พวกพรานพื้นเมืองไหวตัวกันอย่างรวดเร็วไม่มีใครอื่นอาจล่าช้ายอยู่เลยต่างคล่องตัวและรวดเร็วฉับไฟกันทั้งสิ้นทั้งกลุ่มรวมทั้งตัวของพรานใหญ่เองและงแง่ทรายต่างตรงเข้าไปที่ซากหมีใหญ่ตัวนั้น ช่วยกันใช้มีดเปิดหนังอันฟูหนาไปดือขนออกอย่างแข่งกัเวลาและด้วยความจัดเจนชํานาญที่ทุกคนมีอยู่แล้วหนังประดุดพรมพื้นอันกว้างใหญ่ตางแผ่ลงไปกับพื้นซึ่งบัดนี้ทุกตารางนิ้วเย็นเท่าเๆกับหิมะฝ่ายนายจ้างทุกคนก็เริ่มจะเข้าใจได้ทันทีว่าหนังซึ่งหนาไปด้วขนของหมีเจ้ากรรมตัวนั้นเองซึ่งจะช่วยบรรเทาไม่ให้ร่างกายสัมผัส แตะตองกับพื้นแบบปูรองด้วยเสื้อขนสัตว์ชั้นดีและโดยไม่ต้องบอกเตือนกันเลยทั้งหมดกระโดดขึ้นไปห่อตัวนั่งอยู่บนปูขนที่ยังพอมีไออุ่นจัดเจ้าสัตว์ร้ายตัวนั้นระหว่างที่ระพินงะทรายและคนของเขาทั้งหมดก้มหน้าก้มตาง่วนอยู่กับก้อนเนื้อกองมาฮิมาต่อไปทั้งแล้ทั้งเถือเสียงคมมีดกรีดกระชากเนื้ อ, อย่ควักควกมีชามีนาน ส่วนอันเป็นไขมันสีเหลืองก็ถูกแล่ออกมาโดยแยกออกจากเนื้อโดยเฉพาะนำมาวางไว้โดยรอบเงยสายพยายามจุดไฟจากเศษใต่ที่มีติดตัวอยู่พอลุกติดดีแล้วก็จ่อเข้ากะกองไขมันเหล่านั้นชั่วครู่เดียวมันก็ลุกติดไฟราวกะไสตะเกียงที่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงให้ทั้งความสว่างและความอบอุ่นแผ่กระจายไปทั่วส่วนที่เป็นเนื้อล้วน ก็ถูกย่างจากเปลวไฟที่ลุกจากไขมันอีกทีหนึง่งและไม่ว่ามันจะเป็นเนื้อประเภทใดพอถูกไฟเข้าก็ทรงกลิ่นยั่วกระเพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความหิวโหวยทรมานอยู่ในขณะ น, นี้ทั้งสี่คนฝ่ายนายจ้างซึ่งนั่งห่อกายเบียดกันอยู่ในขณะ น, นี้มองตากันด้วยความรู้สึกของคนซึ่งกำลังจะตายแต่แล้วก็เหมือนมีปาฏิหาริามาช่วยไว คนชุดนี้นี่เหลือรับทำไมเขาถึงสามารถกันอย่างนี้นะชยันพึมพำออกมาทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้เราขวัญหนีดีฝ่อและทอดอะไรแต่แล้วทุกคนเหล่านี้ก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรเลยที่จะเกินความสามารถของเขาไปได้เชิถากล่าวอย่างอบอุน่นเชื่อมั่นเต็มที่มาเรียจับมือดารินบีบแน่นกระชับ สบายมากน้อยไม่ต้องห่วงหมอดารินหันมายิ้มกับแม่เพื่อนสาวร่วมตายแล้วกอดไว้ไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นในใจของหลอนบัตรนี้มีแต่ความตื้นตันมาเรียคงไม่เข้าใจได้ลึกซึ้งนักหรอกว่าความรู้สึกของหลอนเป็นเช่นไรแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเมื่อมีระพินไพรวันร่วมอยู่ด้วยเช่นขณะนี้หลอนไม่เคยห่วงหรือ ก, กังวลอะไรสักอย่างเดียว ถ้าจะห่วงก็ห่วงแต่เฉพาะสุขภาพส่วนตัวของคนคนนั้นเท่านั้นถลกหนังออกมาปูให้นอนกันไขมันเอามาทำเป็นเชื้อก่อไฟผิงรายรอบเนื้อก็จัดการย่างทรงกลินกรุนเพื่อเตรียมเป็นสเบียงอยู่ในขณะนี้แล้วเขาผู้เป็นหลักประกันของทุกชีวิตในคณะก็เข้ามานั่งร่วมวงหยุดตรงหน้าอะใครหิวก็กิกน ใครง่วงก็นอนได้ครับพรุ่งนี้ตะวันขึ้นอากาศจะดีกว่านี้แล้วเราจะเดินทางต่อไปโดยปกติครับคําพูดนั้นง่ายๆเรียบๆ เ, เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยสีหน้ามีรอยยิ้มยิ้มระพินนี่พวกเราทั้งหมดรอดตายเพราะไอ้หมีเจ้ากรรมตัวนี้ใช่ไหมนี่ก็ไม่เชิงนักหรอกครับถึงแม้ว่ามันจะไม่กลายเป็นผลพลอยได้สาหรับเรา คืนนี้ต่อให้หิมะตกเราก็คงไม่เป็นไรกันนักเพราะได้อาศัยเพลิงพักกับบ่อน้ำร้อนช่วยอยู่แล้วแล้วคืนต่อไปแล้วคืนพรุ่งนี้ก็บคืนต่อๆไปล่ะชยันถามอย่างไม่เต็มเสียงนักจอมพรานหัวเราะกลบเกลื่อนความวิตกกังวลของตนเองไว้ได้อย่างสนิทคณะนายจ้างทุกคนก็คงจะไม่มีวันทราบหรอกว่าก่อนที่เขาเหล่านี้จะตื่นขึ้นมาเห็นหน้ากับกิริยาอันมั่นคง เป็นปกติดีของมักคุเทศนำทางนั้นตัวมักคุเทศเองก็ตกอยู่ในภาวะทุกข์กังวลไม่น้อยไปกว่าทุกคนเลยและเกือบจะแข็งตายไปแล้วหากไม่ใช่เพราะแง่ทรายช่วยลากตัวกลับเข้ามาในที่พักแต่เขาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดหรือแสดงสิ่งใดออกไปให้ในายจ้างทุกคนขวัญเสียคืนพรุ่งนี้หรือคืนต่ อ, ต อ, ตอไปถ้ายังมีสาหรับเรา เราก็ต้องคิดแก้ไขกันไปเป็นขั้นๆครับคุณชัยยันนี่คุณรู้ตัวมาก่อนหรือเปล่าว่าเส้นทางระยะนี้ของเราเนะ่จะต้องผ่านเขตท่มะระพินสันศีศัก์ไปมาเหลือบมองไปทางแง่ทรายอย่างไม่ตั้งใจซึ่งบัตรนี้จอมพเนจรกำลังง่วนอยู่กับการควบคุมการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงที่ได้จากไขมันสัตว์ผมนึกไม่ถึงครับไม่ทันเตรียมตัวรับสถานการณ์เหมือนกัน แต่เมื่อเหตุการณ์มันมาถึงตัวแล้วเช่นนี้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้เราอยู่บนเทือกพระศิวะซึ่งสูงมากและฤดูนี้ก็ย่างเขาฤดูหนาวแล้วนี่คุณหมายความถึงว่าตั้งแต่พรุ่ง น, นี้เป็นต้นไปเราจะต้องเดินผ่านไปในแดนหิมะยังงั้นเหรอดารินพูดกับเขาเป็นประโยคแรกก็ยังไม่แน่นักละครับคุณหญิงก่อนที่จะตัดทางขึ้นมาบนสันเขาลูกนี้ ทุกคนคงจะสังเกตเห็นลำธารเล็กๆหลายสายปรากฏอยู่ตลอดเวลาไหลเป็นทางลงมาจากส่วนที่มีระดับสูงขึ้นไปผมเชื่อนะครับเชื่อว่าจะต้องเป็นเส้นทางน้ำไหลอันเกิดจากขิมะละลายตัวเองแล้วเมื่อยังมีการละลายกลายเป็นสายน้ำอยู่บ้างเช่นนี้ก็น่าจะแปลว่าบรรยากาศแถบนี้ยังไม่ถึงกับเย็นจัดเกินไปนักมันอาจตกลงมาเฉพาะในเวลากลางคืนพอตอนกลางวันก็ละลายเป็นน้าไป แล้วถ้าเป็นอย่างที่ผมเข้าใจก็คงไม่เท่าไรนักหรอกครับเคยเตรียมหาทางหลบในเวลากลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันเราก็ควรจะเดินกันได้ตามปกติคุณว่า น, นี่เป็นการเริ่มต้นของฤดูหนาวไม่ใช่เหรอมาเรียสอดมาดเร็วเมเดือนโนเวมเบอร์คุณก็รู้อยู่แล้วนะหิมะจะลงตั้งแต่ต้นฤดูหนาวเรื่อยไปแล้วคุณเคยเห็นเหรอ ว่ามันจะมีการละลายในระยะเวลาระหว่างนี้เว้นไว้แต่จะย่างเข้าฤดูสปริงเท่านั้นมันมีแต่จะทวีหนักพ่อพูนขึ้นไปเรื่อยทุกขณะฉันไม่คิดหรอกนะว่ามันจะตกเฉพาะเวลากลางคืนและจะละลายสลายตัวไปในเวลากลางวันถ้ามันยังไม่ถึงเวลาจะตกก็แล้วไปแต่ถ้ามันได้ตกแล้วมันก็มีแต่จะหนักขึ้นวันต่อวันทีเดียวเม่ คุณจะธรรมชาติฤดูกาลของพื้นภูมิประเทศที่คุณเคยอยู่มันเป็นบรรทัดฐานในการคัดคะเนนที่นี่ไม่ได้หรอกนะวินเทอร์ในยุโรปกับวินเทอร์บนยอดเขาสูงแถบเอเชียตะวันออกน่ะมันยอดไม่เหมือนกันไม่สังเกตหรอครับบริเวณนี้นะ่ะมันมีทั้งฝนและบางทีก็ลูกเห็บยอดเขาบางลูกก็ปกคลุมไปได้วยหิมะบางลูกก็ไม่มีสุดแต่ว่ายอดไหนจะสูงต่ำ และอยู่ในชั้นของบรรยากาศเช่นไรเป็นสำคัญขณะนีนะ้เราอยู่บนสันของเทือกบริเวณหนึ่งซึ่งจัก่าสูงมากแต่ก็ยังไม่ใช่ส่วนที่สูงที่สุดหิ ม, มนะอาจจะลงเป็นระยะ ะ, ยะไปก็ได้ไม่ใช่ว่าถ้าใดตกลงมาแล้วก็จะต้องพรมหนักไปจนกว่าจะหมดฤดูหนาวเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราจะรอดูอีกทีหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึง่งเส้นทางเดินของเรากาลังทอดลงสู่ที่ต่า ตามแนวสันเขาลูกนี้ตอนนี้เราอยู่ในระดับที่สูงกว่าเนินพระจันทร์การมุ่งเข้าหาเป้าหมายนะ่ะเป็นการเดินลงเมื่อหนีจากระดับส่วนสูงลงไปได้เราก็น่าจะเสียงเราก็น่าจะเลี่ยงหิมะได้ดิมิฉนั้นอยากหนักก็เป็นเบาลงทุกสิ่งทุกอย่างก็สุดแล้วแต่คุณเไพวันฉันนะเพียงแต่เมื่อสงสัยก็อยากจะขอฟังความเห็นบ้างเท่านั้นสำหรับฉันถ้าจะตายเพราะความหนาวเย็น ก็เชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายละ่ะแต่ถ้าความร้อนระอุอบอ้าวอย่างที่เราเคยเดินฝ่าทุ่งแฝกกันมาแล้วครั้งหนึ่งนั้นคนแรกที่จะไปไม่รอดก็คือชั้นนี่แหละข้อนี้ทุกคนย่อมรู้ดีและเชื่อเช่นนั้นมารีฮอฟมันจะไปแค่อะไรนักหนากับหิมะเลือดของหล่อนทุกหยดมันเป็นเลือดเมืองหนาวอยู่แล้วเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นหิมะตกหลอนไม่ได้วิตกเป็นทุกข์อะไรมากนะักเพียงแต่ประหลาดใจเพราะคาดไม่ถึงเท่านั้น พระพินไพรวันเองก็ตระหนักอยู่แก่ใจดีว่าที่พูดไปเช่นนั้นเป็นการพูดปลอบใจนายจ้างของเขาเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วเขาไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวเกี่ยวกับสภาพความเป็นไปของภูมิประเทศที่ไม่เคยพบผ่านมาก่อนในชีวิตนี้เสียงบุญเสียงกรรมไปตามเรื่องหลักเกณฑ์ที่หยิบยกขึ้นมาพูดกับฝ่ายนายจ้างก็เป็นสิ่งที่เขารับฟังมาจากแง่สายนั่นเองทั้งสิบสองชีวิตจะคงอยู่ หรือจะพินาศดับสิ้นไปก็ที่เนินพระจันทร์นี่แหละจอมพรานบอกกับตนเองในใจแดนาฬิกาของวันรุ่งขึ้นยังมองไม่เห็นอะไรถ น, นัดนักนอกจากแสงขาวร่างบนท้องฟ้าทุกคนอยู่ในผวังหลับหลับตื่นตื่นเพราะบรรยากาศบีบบังคับจับเจ้าสุมเบียดกันอยู่เหนือแผ่นหนังหมีและไอไฟจากไขมันเผาไหม้ถ้าจะพูดถึงการพักผ่อน ก็ได้หลับนอนกันมาเป็นเวลาพอเพียงทีเดียวแต่ก็ไม่อาจเริ่มต้นออกเดินทางได้ในสภาพของอากาศที่ยังเย็นเยือกแผ่นดินปกคลุมไปด้วยเกล็ดน้ําแข็งเช่นนี้ระพินจําเป็นจะต้องยืดระยะเวลารอคอยต่อไปเพื่อรอแสงแดดซึ่งก็ไม่แน่นักว่ามันจะปรากฏให้เห็นหรือไม่ตลอดทั้งวันนี้การสุมกันอยู่ภายใต้เพิงพักอันอบอุ่นทําให้ทุกคนรู้สึกสบาย และอยากจะสงบนิ่งอยู่เช่นนี้ตลอดไปเพราะเพียงแต่ก้าวพ้นบริเวณออกไปชั่วเก้าเดียวนอกรัศมีของไอไฟเท่านั้นแม้แต่ฝ่ามือก็ยังแทบจะเหยียดแบไม่ได้เชฐ่ากชายันทดลองดูสองสามครั้งพยายามจะออกไปสำรวจดูนอกเพิงหินแต่แล้วก็ต้องล่าถอยกลับเข้ามาครั้นแล้วแสงตะวันก็เปรียบเสมือนแสงแห่งการชุบชีวิตที่ประธานมาให้ พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงประมาณสิบนาฬิการัศมีของพระอาทิตย์ซึ่งบัตรนี้ทุกคนอยากจะเรียกว่าเทพพระเจ้าแห่งความอบอุ่นผู้กรุณาก็ขับไล่ความขมุกขมัวเย็นยเยือกให้สางซาลงโดยการสาดความสว่างแจ่มใสไปทั่วปริมณฑลกระทบเกร็ดหิมะที่ทับถมพอกพูนอยู่ตามแก่งแง่เหลี่ยมสไลซองประกายสะท้อนวาวาวับ ราวกับกรดเพชรรัตอันล้ำค่าและเริ่มจะส่งควันสีขาวกลุ่นอันเกิดจากไอระเหยเพราะกระทบกับแสงแดดปกคลุมอยู่ทั่วไปมองดูเหมือนปุยเมฆที่ลอยแวดล้อมรอบกายเกลื่อนกล่นแล้วแยกรังสีของตะวันออกเป็นเหลืองรุ้งเปลี่ยนแปลงสลับสีไปต่างๆทําทให้ทุกคนที่ออกมายืนกวาดสายตามองดูภูมิภาพด้วยความตื่นตะลึง ในความงามอยู่ขณะ น, นี้มีความรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนวิมานสวรรค์ดารินวราริตเอื่อมมือไปจับแขนของพรานนำทางอย่างลืมตัวอุทานออกมาแผ่วเบาระพินเหมือนฝันเชียวธรรมชาติของที่นี่สวยงามอะไรอย่างนี้นี่ตาฉันฝาดไปหรือเปล่าคะพรานใหญ่นิ่งดวงตาทั้งคู่เบิกมองไปยังบรรยากาศที่แวดล้อมรอบตัว ในลักษณะมึนงงเหมือนคนถูกสะกดทุกคนตกอยู่ในภาวะการเดียวกันหมดเขามารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อท่านหัวหน้าคณะเคลื่อนเข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆและโอบไหล่ไวระพินภายหลังความหน้าสะพึงกลัวอันดำมืดและเยียบเย็นที่สุดคือความงามที่ตายแล้วเกิดใหม่ถ้าไม่มีโอกาสขึ้นมาบนเขาสูงสุดขนาดนี้ เราก็คงไม่มีโอกาสได้พบเห็นอย่างที่เห็นอยู่นี่กระพินคุณพาพวกเราบุก ข, ขึ้นมาถึงยอดเขาไกลลาดในวันคักาดีใชแล้วละกระมังที่เราเห็นและแวดล้อมเราอยู่นี่ขนาดนี้น่ะมันไม่น่าจะเป็นพิภพโลกเลยนอกจากสวงสวรรค์จอมพรานสะบัดหน้าขับไล่ความมึนงงแล้วลืมตาขึ้นจ้องดูภูมิภาครอบตัวอีกครั้งอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาคงพูดอะไรไม่ออกอยู่เช่นนั้น เสียงชัยยันร้องตะโกนมาจากทางหนึ่งว่าผู้กองถึงผมจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วที่เกิดมาทั้งทีมีโอกาสได้เห็นโลกส่วนหนึ่งที่มีธรรมชาติงามเหมือนเทวดามาสร้างฉากไว้เราแบบนี้ปุถโโธจะพาขึ้นสวรรค์ทั้งทีก็ไม่แยกระบอกให้พวกเรารู้ตัวล่วงหน้าเ อ, อะอะโวยวายทำลายความเงียบงันของทุกคนขึ้นโดยประโยคเช่นนี้แล้ว อดีตนายทหารปืนใหญ่ก็หันไปกอดเมียแมมของเขาที่ยืนอยู่ข้างๆอย่างแนบแน่นโดยอาการอันปิติตื่นตันใจเหลือที่จะกล่าวตัวพรานใหญ่เองบัดนี้ยืนนิ่งอยู่กับที่เหมือนท่อนหินขนาบข้างโดยพี่น้องราชสกุลอันเป็นนายจ้างทั้งคู่ส่วนพวกพรานพื้นเมืองพูดจาบอกความอะไรแกกันแท่แท้ไปหมดบุญคาลงนั่งพับเพียบกับพื้นยกมือขึ้นพนมท่วมหัว หันหน้าไปทางด้านตะวันออกแล้วกราบลงกับพื้นเหมือนไหวเทวดาเกิดเสยจันก็หลงนั่งยองๆอยู่ข้างหลังลูกพี่ด้วยอาการสงบคาระวะแล้วร้องบอกอะไรส้างปากับขยินที่ยังยืนเซอร์ตีหน้าเลิกลักมีแววหวาดกลัวพรานพรึงให้นั่งราบลงด้วยห่างออกไปทางมุมซ้ายของทุกคนในขณะนี้ร่างสูงของแง่ทาย ยืนกอดอกสงบอยู่ตามลำพังโดยไม่มีใครสังเกตระพินเหลือไปพบตาเข้าโดยบังเอิญใบหน้านั้นมีรอยยิ้มน้อยๆกับเขาพรานใหญ่มองดวงตาคู่นั้นตะลึงนิ่งไปอีกสักครู่จะเป็นด้วยอุปาทานหรืออะไรเขาก็ไม่อาจบอกได้ถูกเขามองเห็นละอองไอ้น้ำกลุ่มหนึ่งรวมตัวเป็นกลุ่มเนื้อสีรษะอันเชิดเด่นนั้น ต้องประกายแดดปรากฏแสงเลื่อมพลายราวกับมงกุฎของราชนที่สวมประทับอยู่จักราราชพรพินหลุดปากอุทานนามนั้นอย่างแผ่วเบาเป็นเสียงที่ผ่านลำคอออกมาโดยไม่รู้สึกตัวชรอยเสียงพึมพำเช่นนี้จะแววจางๆไปถึงหูของดารินและเชษฐาผู้ยึดแขนเขาไว้คนละด้านทั้งคู่หันมามองหนะ้า คุณว่าอะไรนะผู้กองเชิดาถามสำนึกของสภาพแท้จริงที่เผชิญอยู่ในขณะ น, นี้กลับคืนมาในทันทีนั้นหันมาฝืนยิ้มให้กันายจ้างทั้งสองขณะนั้นเองชา ย, ยันกมาเรียกก็จูงมือกันเดินเข้ามารวมกลุ่มสมทบสุพรณิมิตรอันดีเลิศของการเดินทางของเราแล้วไม่ใช่หรอือผู้กองช ย, ยันเอ่ยขึ้นอย่างลิงโลดครับมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแะครับ เขารับคำพร้อมก้มศีสัต์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เรารอคอยคาดหวังไว้คือพอสายตะวันฉายแสงแรงขึ้นอากาศมันก็ดีขึ้นด้วยพอจะช่วยเราเดินทางได้โดยสะดวกนั่นมันส่วนหนึ่งแต่ดูคุณช่างไม่แปลกใจหรือให้ความสนใจตื่นเต้นเหมือนพวกเราทุกคนในขณะนี้บ้างเลยเ ห, ลหรือคุณมองไม่เห็นความงามที่แวดล้อมรอบตัวเราอยู่ในขณะนี้ ด่าทิ้งว่าจ้องหน้าเขาอย่างประหลาดใจเห็นสิครับคุณหญิงและผมเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าทุกทุกท่านในขณะนี้นะครับนั่นเป็นคำตอบอย่างสุภาพสํารวมตามลักษณะของเขาโดยไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้แต่ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องมาสจันอะไรนะักถ้าเราจะพิจารณามันในแง่ของกฎแห่งธรรมชาติวิทยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นวิจิตรการตา ราวกับเทพเจ้ามาสรรปต่งให้อยู่นี้เกิดขึ้นจากแสงตะวันและละอองไอ้น้ำมันจะคงตัวอยู่ได้ไม่นานนักเมื่อตะวันขึ้นสูงกว่านี้แล้วเขาก็ <c oughs> <ๆ>หันไปทางมาเรียใช่ไหมเมแหม่สาวยิ้มให้คาวหน้าของหล่อนเปล่งปลั่งสดชื่นตอบมาเป็นปริศนาอีกอย่างหนึ่งว่าคุณไม่ควรจะทำตัวให้มีจิตใจที่กระด้างถึงเพียงนี้นะไพรวัน มันก็เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเขาบอกกับทุกคนด้วยเสียงเรียบๆไม่ส่อความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นแต่ผมก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่วิกฤตพิสดารยิ่งและอาจจะไม่มีที่ไหนอีกนอกจากบนเทือกเขาพระศิวะนี่เท่านั้นแล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆก้มศีรษะให้แกเชิฐ้า บางทีคำพูดเปรียบเทียบของคุณชายก็น่าจะถูกต้องตรงกับความจริงแล้วนะครับเขาไกรลาศในวรรณคดีเป็นที่สถิตรประทับของพระอิศวนและพระอีศวนก็มีอีกนามหนึ่งว่าพระศิวเทพยอยู่แล้วที่เราเหยียบยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือเทือกเขาพระศิวะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นเขาไกรลาศนั่นเองผมก็อดประหลาดใจตัวเองไม่ได้อยู่เหมือนกันว่าเหตุใดผมจึงนำทางพาทุกท่านมาจนถึงดินแดน เชื่อมต่อระหว่างมนุษย์โลกกับเทวโลกตามทัฒนคติของลัทธิพราหมณ์ได้ถึงเพียงนี้ น, นึกดูก็น่าหัวเราะล่ะดารินปลายหางตาจับอยู่ที่ใบหน้าเขาด้วยความรู้สึกทั้งสเสน่หาทั้งมันไส้ชื่นชมยินดีและคุณขุนใจละคนกันโดยแยกไม่ออกก็คนที่ชื่อรพินทร์ไทรวันนะ่ะเป็นซุปเปอร์พราหมณ์นี่นะพาพวกเราเดินป่าจากเขตเมืองไทย มาจนทะลุออกเมืองเทวดาในรามเกียร์จนได้แหละครับแต่ซูเปอร์ทานคนเดียวก็คงไม่ไหวเหมือนกันล่ะครับมันก็ต้องประกอบกับกระเจ้าซูเปอร์คนใช้ของคุณหญิงคนนั้นด้วยล่ะครับรบพินตอบหน้าตาเฉยบุยปากไปทางแง่ทรายผู้บตทนี้ยืนหันหลังให้ทอดมองไปทางด้านเหนืออันเป็นส่วนยอดสูงสุดของเถือกยาวเหยียด น, นี่ไ่ต้องไปกระแนกกระแหนถึงคนอื่นเขารอ ทำไมฉันจะไม่รู้ว่าถ้าไม่มีแงาทายสกักคนเดียวคุณก็หมดท่าไปตั้งนานแล้วและพวกเราทุกคนก็ล้วนรู้ทันคุณมานานแล้วเช่นกันไม่ว่าจะผ่านพบหรือเกิดเหตุการณ์อะไรทั้งสิน้นคุณจะทําปั้นท่าเคร่งครึมไม่ยินดียินร้ายเห็นเป็นเรื่องไร้สาระไม่สลักสําคัญอยู่ตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่บางขณะฉันก็เห็นคุณตาเหลือกตาปริ้นไปเหมือนกันใหญ่ฉันสวมบทบาทแสดงเป็นตัวคุณเมื่อไหร่ก็ได้ จำคาแรคเตอร์ได้หมดทุกอิริยาบทละอาจจะแสดงได้ดีกว่าคุณเองซะอีกจอมพรานขมวดคิว้วไม่มีทางแล้วครับคุณหญิงนักขาสั้นเดินช้ากว่าผมบะทุกคนหัวรอเว้นจากคู่กรณีทั้งสองเชษฐาพยักหน้าไปทางกลุ่มพรานพื้นเมืองทั้งหมดซึ่งมีตาเท่าบุญคำเป็นหัวหน้าทับเพียบแต่อยู่กับพื้นทาปากหมุกหนิบสวดอะไรอยู่ พวกนั้นก็ทําอะไรกันเมื่อเกิดความกลัวพวกนี้ก็ไหว้เจ้าไหว้ผีเมื่อเกิดความปลาปลื้มปิติโชคชัยเขาก็ไหว้อีกสรุปไม่ว่าจะเกิดอะไรพวกนี้ชอบกราบไหว้บนบานอย่างเนี้ยครับบุญคำทําพิธีบวงสวงเทวดาขอแสงตะวันมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วจะเป็นเพราะพิธีของบุญคําขลังในฐานะหมออาคมประจําคณะนี่จะเป็นพระโชคของพวกเราจะดีเองก็สุดแต่ทุกคนจะวินิจฉัยเอานะครับ ฝ่ายนายจ้างทุกคนมองไปทางตะเท้าเจ้าเล่ของคณะด้วยสายตาเลื่อมใสไม่มีใครกล้าคิดลบหลูดูแคลนได้ในเรื่องเกี่ยวกับพิธีทางไสยศาสตร์ของแกเพราะเห็นประจักษ์ชัดกับตาหลายครั้งแล้วมาเรียมองดูกองหิมะที่เริ่มจะสลายตัวเป็นหยาดน้ำไหลลดเลี้ยวเป็นทางลงจากตำแหน่งสูงไปหาที่ต่าเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงและไปรวมตัวเป็นสายลาธารอยู่ในซอกขบเบื้องล่าง พลางเลือมตาพลางหลบตาไปยังแานใหญ่ด้วยประกายแห่งความพิสวงครามครั้นไพวันที่เราพูดกันไว้เมื่อคืนคุณเป็นฝ่ายถูกต้องนะฉันไม่เคยเห็นสิ่โลกส่วนไหนมาก่อนเลยที่เมื่อถึงฤดูหิมะตกแล้วเพราะในเวลากลางวันมันจะละลายตัวได้รวดเร็วถึงเพียงนี้ตามปกติไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนมันก็จะตกอยู่ตลอดเวลา กลางวันก็แทบมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ฉายแสงสว่างแจ่มใสเหมือนอย่างที่นี่จนอยากจะเชื่อว่าไอ้ที่เราเผชิญอยู่นี่น่ะเป็นเรื่องของปฏิหารเสื่อมากกว่าจะว่าเป็นปฏิหารก็ได้เหมือนกันดินแดนที่เราล่วงผ่านเข้ามานี่มันเป็นดินแดนอาถรรพ์อย่างที่เรายอมรับกันอยู่แล้วคนที่มีบุญญาบารมีเท่านั้นแหละครับที่จะผ่านเข้ามาได้โดยไม่มีอันเป็นไปซะก่อนซึ่งในเรื่องบุญบารมี ผมก็คิดว่าคงจะมีอยู่ที่คณะนายจ้างของผมทั้งหมดซึ่งเป็นเจ้าของการเดินทางผมน่ะเป็นแต่เพียงส่วนประกอบมีหน้าที่นำมาตามวัตถุประสงค์เท่านั้นแหละเชษดาหัวเราะกังวานมองดูพรานนำทางด้วยความพอใจเขาเข้าใจว่าคำพูดของระพิน์ไพรวันมีเจตนาที่จะยกย่องและสรรเสริญถึงเขาโดยตรงแต่ก็กระทาด้วยความสุภาพอ่อนน้อมรู้ถ่อมตัว ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสียแสงพูดอย่างปราศสจากน้ำใสใจจริงอดีตนายทหารทูตทหารบกบอกกับตนเองในใจว่าชะตาของเขากับพรานนำทางผู้นี้ถูกกันนับตั้งแต่มองเห็นครั้งแรกแล้วครั้นเมื่อมาได้ร่วมเป็นร่วมตายกันอยู่เช่นนี้ก็ยิ่งไม่มีอะไรสอรให้เห็นถึงความผิดหวังเลยเชฐาเกิดมาในชาติสกุลสูงตลอดชีวิตวัยที่เติบโตมา เขาได้รับการเลี้ยงดูอบรมมาอย่างสุภาพบุรุษแท้จริงกล้าหาญศีสละและมีความเป็นผู้ดีเขาคบคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะเชื้อชาติรู้จักนิสัยใจคอกำมูลสันดานของมวลมนุษย์ที่แวดล้อมอยู่รอบกายอย่างนักปรัชญาและนักการทูตคนหนึ่งจะพึงรู้จักแต่เขาก็จำต้องยอมรับว่าในจำนวนพันหมื่นบุคคลที่ผ่านพบมาไม่มีใครเหมือนรพินทร์ไพรวันสักคนเดียว แม้แต่หม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศผู้เป็นน้องชายของเขาเองซึ่งเป็นต้นเหตุของการเดินทางค้นหาตัวอยู่ในขณะ น, นี้ก็ต่างก็น่าอยุรักที่สุภาพบุรุษไทยคนนี้จะพึงชนะใจน้องสาวหัวดือ้อเ ย, อย่อยิงทระนงและไม่เคยสนใจผู้ชายคนใดมาก่อนของเขาดารินผู้ที่เขาคิดว่ามีหวังจะอยู่เป็นสาวทึงทึกแกวิชาไปจนตาย เพราะมองผู้ชายทุกคนเป็นลิงหลุกหลิกไปซะหมดน้องสาวคนสวยผู้กําลังเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาพัวพันอยู่ในห้วงคิดของพี่ชายมองเห็นและอ่านออกในสายตาของเขาว่าเลื่อมใสชื่นชมลูกจ้างเพียงไรเลยชําเลืองคอนให้นี่พี่ใหญ่อย่าไปหลงหลมยาหอมของคนใจเหี้ยมนะคะอิตพราณคนนี้นะแกเรียนหนังสือมากพอสมควร รู้จิตวิทยาคนเราได้อย่างพื้นพื้ น, นเขารู้เขาว่าการสรรเสริญยกย่องน่ะไม่ใช่สิ่งเสียหายแต่เขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าคําสรรเสริญที่ผู้ฟังเท่าทันนะ่ะมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นเลยคําพูดนั้นฟังถัดถาดว่าแรงอยู่อย่างสาหัสในการที่ใครสักคนนึงจะกล่าวถึงใครอีกคนนึงอย่างซึ้งซึ้งน้าแต่พี่ชายไม่สนใจใชแล้ะเพราะรู้ใจน้องสาวได้อย่างลึกซึ้ง รู้ลงไปถึงแก่นกลางใจว่ามีอะไรซ่อนเร้นแฝงอยู่ในประโยคเหน็บแนมเสียดสีอย่างรุนแรงนั้นมองไปยังคนที่ถูกว่าซึ่งซึ่งหน้าก็ไม่เห็นมีปฏิกิริยาสะดุ้งสะเทือนอะไรต่อถ้อยคำชนิดนั้นนอกจากความเฉยชาเฉยเมยมีอาการเหมือนเอาหูทวนลมในฐานะพี่ชายและหัวหน้าคณะทั้งหมดก็ไม่เคยจัประแคะระคายใดๆได้ไดไดไดจากฝ่ายชายเลยแต่กลับจับพิรุธโดยการแสดงออกของฝ่ายหญิง อันเป็นน้องสาวของเขาเองได้บ่อยครั้งที่สุดบากจัดฉุนเฉียวช่างค่อนแคะช่างว่ากระฟัดกระเฟียดกระบึงกระบอลและมักแสดงความขัดแยง้งไม่เป็นมิตรแต่ใจจริงนแะสนจะพรวงห่วงหาอาธรอ่านสายตาปหลัดประหลืลออยู่ในขณะ น, นี้ก็เห็นแจ่มชัดเช็ดเาหัวเราะหื๋อหื อ, อยู่ในลําคอแล้วก็ถามมาตรงๆว่านี่ แลพินทมอะไรไม่ถูกใจน้อยอีกเหรอน้องสาวนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะถูกพี่ชายถามเช่นนี้เล่นตกใจไม่กล้าพูดอะไรอีกทั้งสิน้นรีบเดินสะบัดหน้าพละไปที่บุญคำกับกลุ่มพรานพื้นเมืองซะชายันนั่งยืนหน้าเคร่งรู้เห็นฟังความอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งอย่างเชิฐานักโคลงหัวดิกๆไม่ไหวน้อยแล้วก็เป็นซะอย่างนี้แหละ ว่าจานี่ไม่ได้่ามัดระวังอะไรเลยนึกจะพูดอะไรก็พูดไม่มีเบรกเชิดท้าโบกมืออย่าไปสนใจอะไรเลยไายสาระใช่ไหมผู้กองประโยคหลังเขาหันไปยิ้มกระพรานนำทางอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทราบจะตอบยังไงนอกจากยิ้มรับจืดเจือนแล้วก็บอกมาว่า เตรียมตัวเดินทางได้แล้วล่ะครับดารินเดินหนีหน้าพี่ชายเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าของตับพรานเท่าบุญคำซึ่งขณะนั้นแกกราบราบลงกับพื้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วยืนขึ้นพอมองเห็นนายหญิงมายืนเอียงคอมองดูตรงหน้าก็หัวร้อแห่ไหวอะไรไหวก้อนน้ำแข็งกดของบุญคำเมื่อไงบุญคายิ้มอายอเอามือลูบหัวนายหญิง บุญคำไม่ได้ไหวก้อนน้ําแข็งกดรอกแต่บุญคำไหวประสิวะไหวฤาษีโกนธัญญาที่เปิดทางให้กับเราไหวสุริยเทพเจ้าของดวงตะวันด้วยที่ฉายแสงให้เราอุ่นละลายก้อนน้ําแข็งกดให้บุญคำนึกว่าเมื่อคือนนี่พวกเราเสร็จแน่แล้วแล้วทําไมไม่ชวนพรานใหญ่ก็มานั่งไหวด้วยละ่ะล่อนถามอย่างปราศจากความหมายบุญคำทำหน้ากระเรียก ร, ราด นายก็คงไหวอย่างบุญคำหรอกแต่ก็คงไหวอยู่ในใจอะ่ะไปจริงรอกคนอย่างนายของบุญคํานั่นแหละจะกราบไหว้ลมแรงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายฉันน่ะไม่เคยเห็นเขานับถือหรือเลื่อมใสอะไรอะนอกจากปืนแล้วก็ตัวเขาเองอวดดีเป็นที่หนึ่งเลยอะไรกันนายหญิงบุญคําทําหน้าตื่นร้องเสียงสูงนายหญิงก็เห็นแล้วนี่ เครื่องรางของขลังของนายนะ่ะเต็มคอไปหมดยังเคยถอดให้นายหญิงไว้ใช่เลยไม่ใช่เหรอฮะนั่นมันอุบายหรือลูกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งของเขาต่หากต้องการใจพวกของบุญคําเลื่อมใสเขาเห็นว่าเขาก็เก่งทั้งสยยศาสตร์แก่วิชาคนนึงเหมือนกันถึงเมื่อตอนที่เขาเอาเครื่องรางของเขาไว้ฉันก็เหมือนกันเขาก็แค่ต้องการปลอบใจไม่ฉันกลัวอะไรเสมากกว่า ทั้งทั้ง ต, ตัวเขาเองก็ไม่ได้นับถือเลื่อมใสอะไรหรอกเขาให้ฉันแขวนไว้แล้วก็อาจจะแอบหัวเราะเยาะอยู่ในใจก็ได้ในข้อที่ว่าหลอกคนที่เป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างฉันได้สําเร็จไงบุญคําหัวเราะวิทยาศาสตร์ที่นายหญิงว่านะ่ะเป็นยังไงบุญคําไม่รู้จักหรอกแต่บุญคํารู้จักสายศาสตร์ที่ปู่ย่าตาทวดคตดกรานของบุญคําสอนมา ถึงพรานใหญ่ก็รู้จักบางทีจะรู้จักดีกว่าบุญคำจะซ้ำไปขอให้นายหญิงเชื่อเถิดว่าพรานใหญ่อย่างนายของบุญคำถ้าไม่มีวิชาดีทางไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมในทางพรานล้ก็ไม่มีทางพาคณะเจ้านายทุกคนมาถึงที่นี่ได้รอเวลาผีเข้าคนบุญคำเป็นคนแก้แต่ถ้าผีเข้าบุญคำ ไม่มีใครแก้ได้นอกจากพรานใหญ่คนเดียวเท่านั้นดารินเลิกคิวฮึเก่งจริ ง, รงถึงขนาดนั้นเชียวจริงจริงนายหญิงอะแล้วเ็าแก้ยังไงอะลงนุ่งขาวหมขาวอมอ่านคาถาเอาใบมาเยิมชุดน้ำมนต์ฟาดนี่ไงเปล่าพรานใหญ่ไม่ได้ทำยังงั้นหรอกนายหญิงอะแล้วก็าทำยังไงอะ เขาให้ไอ้พวกนี้จับบุญคำมัดและเอาสายไฟต่อขั้วแบตเตอรี่รถจิบจี้บุญคำบั๊บเดียวเท่านั้นผีออกเลยแกบอกหน้าตาเฉยโหดร้ายทารุณคนอะไรยังก็ไม่รู้นายหญิงบน่นแล้วถามต่อมาว่าเออแล้วผีอะไรล่ะที่มันเข้าบุญคำอะ่ะผีตัวที่มันมักเข้าบุญคำเป็นประจำนะ่ะมันชื่อไอ้มุด นายหญิงก่อนนี้นะมันเป็นคนงานของในห้างอัมพลไปตัดไม้ในป่าเสือก็เลยลากเอาไปกินพรานใหญ่ไปตามได้ซากกลับมาครึ่งตัวนั่งเฝ้าซากทนเหม็นหึงอยู่ตั้งสามคืนกว่าจะยิงไอ้โครงตาบอดไปข้างหนึง่งเพราะขนเม่นเสียบตาตัวนั้นได้บุญคำนะ่ะเป็นคนขุดหลุมฝังศพมันเองน้อยแนะ่ มันจะเห็นบุญคุณสักนิดก็ไม่มีวันดีคืนดีเป็นแอบมาเข้าสิงบุญคำอยู่เรื่อยเป็นประจำเนขเวลาผีเจ้ามุดมาเข้าบุญคำแล้วมันเป็นยังไงหลอนชวนคุยฟังแกฝอยบุญคำยิ้มแห่งๆบอกอ้อมแอมว่าไอ้มุดตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่นะมันเป็นคนกินเหล้าจุแล้วก็บ้าผู้หญิง ลูกเมียใครมันมักจะปล้ดาด่ไม่เลือกหน้าถ้าไม่ตายเพราะเสือข้าไปกินก็คงต้องตายเพราะถูกชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันฝังแน่ๆโชคดีเสือมันข้าไปเสียก่อนชาวบ้านก็เลยไม่ต้องมีเวรกรรมกมันฉันถามว่าเวลาผีเข้าแล้วบุญคำเป็นยังไงมัง่งก็อาละวาดตามสัญดานผีน่ะสินา ย, ยิง ตาเท่าเจ้าเล่อุบอิบบอกไม่สู้จะเต็มปากเต็มคำนักบุญคำน่ะไม่รู้ตัวหรอกว่าบุญคำอรารวาสยังไงมั่งเวลาผีไอ้มุดเข่าแต่ไอพวกนี้นะ่ะมันเล่าให้ฟังมันเล่าว่าถ้าผีไอ้มุดเข่าบุญคำทีไรบุญคำเป็นต้องไล่ปล้ำลูกสาวชาวบ้านเขาด่าไปแล้วก็ขโมยเล่าฝรั่งของนายมากินเรียบ ก, กี่ขวดกี่ขวดแล้เป็นไม่เหลือ พ่อนก็ไม่นุ่เที่ยวไล่วิ่งทงทงรอบบ้านกล่าวจบแกก็หัวเราะแห่แหดารินพยักหน้าชา้าๆอ๋อมีหน้าละ่ะถ้างั้นพรานใหญ่เขาก็มีวิธีแก้ผีข้าวของบุญคำที่ถูกต้องดีแล้วนี่ที่เอาไฟฟ้าจี้เออทนายหญิงคนนี้อยู่ในขณะนั้นด้วยก็จะใช้วิธีไล่ผีเจ้ามุดที่บุญบุญคำยังไงรู้ไหมฮ<ะ>ไม่รู้หรอกนายหญิง ฉันมีมีดหมอเหมือนบุญครเหมือนกันนะแต่มีดของฉันคมกริบทีเดียวนายหญิงไม่มีคาถาอาคมจับมีดหมอของนายหญิงก็ไล่ผีไอ้มุดไม่ได้ทําไมจะไม่ได้รับรองว่าได้เด็ดขาดสัก์สิทธ์ดีกว่าวิธีของพรานใหญ่ซะอีกเฉือนปื๊ดเดียวเท่านั้นแหละจับตอนจะเลยรับรองว่าผีเจ้ามุดจะไม่มาข้าบุญคำอีกละ บุญคำสะดุ้งหยงตะครุบหมับก็ไปที่อวัยวะส่วนหนึ่งของแกร้องโอ๊ยลั่นออกมาอย่างเผลือตัวดารินหัวรอกิกสะบัดผมลุกขึ้นยืนก็เป็นเวลาเดียวกับที่ได้ยินเสียงพี่ชายตะโกลบวกบกมาอา้าวเก็บของเตรียมออกเดินทางต่อ